มีโยมหลายคณะเวลามาพบธรรมาจะออกมาในแนวเดียวกันนะไม่ได้ทุกคณะนะแต่ว่าหลายคณะคือพอธรรมาพอคุยกันได้สักพักได้เวลาพอสมควรธรรมาก็ให้พรนะขอให้ยืนเป็นสุขปลอดภยัยไกลทุกเจริญในธรรมแล้วก็คุยกันต่อสักพักพอถึงเวลาสมควรญาติโยมก็จะลากลับ ก็จะมีโยมคนสองคนเนี่ยพูดมาว่าขอพอรด้วยอาจารย์อัตมาก็เลยถามเอามาเมื่อกี้ไม่ใช่พรเหรอก็แปลกนะแบบนี้เนี่ยมีมาหลายคณะทีเดียวทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะเป็นเพราะว่าตอนที่อัตมาให้พรเนี่ยก็ไม่ได้ตั้งใจฟังโดยพอที่มาเป็นคณะนี้ก็อาจจะใจลอย ตัวอยู่ที่สาราน้าแต่ว่าใจไม่รู้อยู่ไหนธรรมะมาให้พรไปก็เลยไม่ได้ยินหรือสองพอเนี่ยธรรมะให้เนี่ยมันไม่ตรงกับที่เาขาคาดหวังบางคนอาจจะคาดหวังว่าขอให้รวยรวยวยแต่ที่ธรรมะให้พรนี่ไม่มีรวยสักคาเลยอะไรที่มันไม่ตรงความคาดหวังก็จะไม่สังเกตนะจะหลุดหายไปเลย รือไประเด็ที่สามคือว่าเข้าเข้าใจว่าพรเนี่ยนะจะต้องเป็นภาษาบาลีถ้าธรรมารยังไม่ได้ให้พรเป็นภาษาบาลีเช่นพอพระวัตตุสัพพมังคลังหรือยะถาวริวหาเนี่ยถ้ายังไม่ได้สวดแบบนี้เนี่ยแสดงว่ายังไม่ได้ให้พรซึ่งที่จริงเนี่ยแม้ธรรมารสวดภาษาบาลีไปเนี่ยถามว่าเจ้าตัวเนี่ยฟังรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องอ่ะแต่ก็มีจํานวนไม่น้อยเนี่ยคิดว่าเนี่ย ถ้าจะได้พรจากาพระมันต้องเป็นแบบนี้เป็นภาษาบาลีนอกนั้นี่ไม่ใช่พรนะหรือว่าไม่ตรงกับความคาดหวังแล้วทำไมจะเป็นภาษาบาลีนะเพราะคิดว่ามันขลังมันก็คงจะไปอำนวยอวยโชคให้เกิดขึ้นในวันข้างหน้าจริงเนี่ยพรเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นภาษาบาลีก็ได้นะมันก็พรปีใหม่เนี่ย เพื่อนๆให้พรเราวันปีใหม่วันเกิดก็เหมือนเป็นภาษาบาลีเลยทำไมเราน้อมรับแล้วก็ยอมรับว่ามันคือพรแต่พอเวลาพระให้พรเนี่ยจะต้องเป็นภาษาบาลีถ้าว่าการให้พรเนี่ยเป็นภาษาไทยเขาไม่นับว่าเป็นพรนแสดงว่าไม่รู้จักคำว่าพรนะคนไทยจํานวนมากเนี่ยนะปรารถนาพรนะแต่ไม่รู้จักคำว่าพรเนะี่ย ไม่เขาจะาพรเนี่ยคืออะไรรวมทั้งไม่รู้ว่าพร อ, อะไรที่ประเสริฐที่สุดไม่รู้ว่าพร อ, อะไรที่มันดีก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้เป็นหลักประกันแห่งความสุขที่แท้มันไม่ได้นำความสุขที่แท้มาให้อย่างแท้จริงและบางอย่างก็อาจจะเจอไปได้วยทุกข์เจอด้วยภาระเช่พนพรที่ว่ารวยรวยรวยเนี่ยนะ ใครๆก็อยากได้นะเดี๋ยวนี้แต่รวยแล้วเนี่ยนะมีความสุขหรือเปล่ายังไม่แน่นะหลายคนรวยก็จริงเพราะได้โชคได้ลาภถูกรัตตอรี่ขายที่ได้หลายสิบล้านแต่ไม่มีความสุขเลยแถมเครียด ก, กว่าเดิมหรือว่ามีเรื่องระหองระแหงกับครอบครัวหนักขึ้นยังไม่ต้องพูดว่าเนี่ยถึงแม้รวยแต่ถ้าเกิดเจ็บป่วย นะพิการเป็นอมัอมาพาตเนี่ยดีไหมรวยแต่ว่าความจําเสื่อมเนี่ยดีหรือเปล่ารวยแต่ว่าเจ็บ อ, อ่อนแอเนี่ยอยากได้ไหมแต่คนก็ไม่ค่อยได้คิดกันนะคือไม่ได้คิดถึงเรื่องพออย่างแท้จริงให้มันสุดทางเลยนะว่าไอ้ที่เราอยากได้เนี่ยมันดีจริงหรือเปล่าแม้กระทั่งว่ากายมีอายุยืนเนี่ยนะใค ร, ใครๆก็อยากได้ อายุยืนเป็นร้อยปีบางทีก็อวยพรนะอายุยืนหมื่นปีได้ฟังแล้วก็เคลิ้มพอใจแต่เคยใคร่ควรจริงหรือเปล่าว่ามันมันดีจริงไหมมีคุณยายคนหนึ่งาอายุเกือบร้อยนะถึงวันสงกรานเนี่ยก็จะมีลูกหลานเลนนะมาอวยพรจะอวยพรใกล้เลยนะขอให้ยา่ายายทวดอายุยืนนะ เป็นมิ่งขวัญเป็นลมโผล่มใสของลูกหลานเลีไปนานๆยายคนนี้ก็ตอบว่าไงบอกไม่ไหวแล้วลูกหลานเอ๋ยนะเผอรับพรอนให้อายุยืนจนเพลินอายุยืนมานานจน90นี่แหละถึงรู้ว่าพลาดไปแล้วไม่ไหวแล้วลูกหลานเอ๋ยเกินกว่า น, นี้นะี่มีแต่ทุกข์ที่ยังไม่ได้เกินกว่า น, นี้ตอนนี้ก็ทุกอยู่แล้วนะถึงพูดแบบนี้ อายุยืนเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าดีเสมอไปนะคนที่อยากอายุยืนส่วนใหญ่ก็ยังไม่เคยแก่นะนะพอแก่แล้วจะรู้ว่าอายุยืนเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีเสมอไปมันก็ดีตรงที่ว่าทำให้มีโอกาสได้ทำบุญทำความดีหรือว่ายังหางายย่างไกลจากความตายนะยังไม่ตายแต่ว่ามันก็ไม่ได้หมายเขาว่ามันจะสุขสบายอย่างแท้จริงนะไว้แ้นเนี่ย เวลาเราบอกว่าอยากได้พรอยากได้พรเนี่ยนะทำความรู้จักพรให้ดีๆนะอย่างน้อยก็รู้ว่ามันไม่ต้องเป็นต้องเป็นภาษาบาลีก็ได้และที่เราอยากได้แม้เป็นภาษาไทยเข้าใจชัดเจนเนี่ยมันดีจริงหรือเปล่าแล้วมันมีพรอะไรที่ประเสริฐ ก, กว่านั้นไม่พรที่ประเสริฐที่สุดนะสำหรับทุกชีวิตเนี่ยคืออะไรเคยรู้บ้างรู้เปล่าและบางคนเนี่ย เวลามาหาพระนี่ไม่ใช่แค่อยากได้พรเจอนะอยากได้รูปถ่ายด้วยเดี๋ยวนี้จะต้องถ่ายรูปเป็นประจำนะทุกงานนะให้พรไปแล้วไม่พอขอรูปถ่ายด้วยขอถ่ายรูปจนกลายเป็นพิจีกรรมไปแล้วน ะ, ะบางทีไม่ต้องให้พรก็ ไ, ได้นะแต่ขอถ่ายรูปไว้ก่อนนะแต่ก็มีบางกลุ่มนะสนใจธรรมะแต่ก็ออกมาแนวนี้เหมือนกันนะสนใจธรรมะแบบประเภทว่า หลวงพ่อหรืออาจารย์ช่วยแสดงธรรมให้หน่อยอัตมาก็ถามว่าอยากฟังเรื่องอะไรอะเงียบเลยนะถ้าภาษาสมัยใหมก่กเรียกว่าใบเลยตอบไม่ได้อันนี้ก็น่าคิดนะอยากฟังธรรมะแต่ตัวเองไม่รู้ว่าอยากจะรู้ธรรมะเรื่องอะไรแสดงว่าไม่ได้ทำการบ้านมันเลยนะ คือจกันบ้านมันก็อยากจะต้องเตรียมแล้ว อ, อ, อยากจะฟังธรรมะเรื่องอะไรหรือว่าถึงแม้ไม่ต้องทากันบ้านมาก็ต้องใค่ควรแล้วว่าเนี่ยเรามีปัญหาอะไรอยู่ในใจของเราในชีวของเราธรรมะเรื่องไหนธรรมะข้อใดหรือว่าธรรมะแบบไหนจะช่วยเราได้นะคนเราถ้าหาว่ามีความคิดใค่ควรมันนี้ไว้ก่อนนะถึงเวลาเจมาถามว่าอยากฟังธรรมะเรื่องอะไรก็จะตอบได้ อยากฟังธรรมะเกี่ยวกับเรื่องการระงับความโกรธการบรรเทาความเครียดในที่ทำงานหรือว่าการแนะนำลูกให้มาสนใจธรรมะคือคำตอบมันจะออกมาง่ายมากนะาหากว่ารู้ว่าธรรมะหรือปัญหาอะไรที่ตัวเองสนใจแล้วก็อยากจะรู้ธรรมะอะไรที่มันช่วยแก้ปัญหาในชีวิตที่ประสบตอนนี้ได้ อันนี้ก็แปลกนะอยากจะรู้สนใจธรรมะแต่ไม่รู้ว่าอยากจะรู้เรื่องอะไรนะอันนี้ก็แสดงว่าความรู้เนะ้รู้ตัวก็ยังไม่มากพอคนเราเนี่ยบางทีก็ไม่รู้นะว่าตัวตัวเองอยากได้อะไรนะเช่นเดียวกับที่ว่าไม่รู้ว่าไ อ, พอ้พรเนี่ยนะมันคืออะไรหรือว่าพรที่มันดีจริงๆเนี่ยมันประเสริฐสุดคืออะไรไม่ได้คล้คยวนเท่าไหร่ก็ทาให้เสียประโยชน์นะ จากการมาวัดหรือว่าจากการมาฟังธรรมนานๆจะมีโอกาสมาวัดนะแต่ว่าถ้าไม่ได้ใคร่ควรไว้ก่อนเนี่ยมันก็เสียโอกาสนะพรที่แท้จริงก็ไม่ได้การทมที่จะช่วยแก้ปัญหาช่วยจริงๆก็ไม่รูนะ้อันนี้ก็นับว่าน่าเสียดาย